ธรรมชาติของมนุษย์นั้นพิเศษในแง่ดีคือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ศึกษาให้มีปัญญาได้ตอนนี้พูดกันมาถึงมนุษย์ว่าเมื่อมนุษย์จะต้องปฏิบัติต่ตอกฎธรรมชาติเราก็ต้องรู้จักธรรมชาติของมนุษย์ด้วยว่าเป็นอย่างไรเช่นให้รู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นี้สามารถมีปัญญาที่จะหมดอวิชชาเป็นไปนได้หรือไม่ ที่มนุษย์จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอวิชชาตันหาอุปาทานถ้าเป็นไปไม่ได้การแก้ปัญหาก็เป็นไปไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่สามารถพัฒนาให้มีปัญญาเราก็ต้องอยู่กับอวิชชาตันหาอุปาทานตลอดไปและต้องยอมรับว่าจะต้องเป็นทุกข์ตลอดไปด้วยฉะนั้นเราจึงมาศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ คือนอกจากรู้ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งโลกทั้งระบบก็มารู้ธรรมชาติของตัวมนุษย์เองด้วยคราวนี้ก็มาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งต้องพูดเป็นสองระดับระดับที่หนึ่งมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติทั้งหมดย้าว่าเป็นธรรมชาติเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้น ชีวิตของมนุษย์จึงต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติเช่นเดียวกับธรรมชาติอย่างอื่นๆถ้าเราแยกเป็นโลกและชีวิตชีวิตของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติใหญ่อันเดียวกันกับกฎธรรมชาติที่ครอบงำโลกทั้งโลกอยู่คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเปลี่ยนแปลงไปคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และปรากฏรูปขึ้นมาตามกระบวนการ ของเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันนั้นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ด้านหนึ่งที่เป็นชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติระดับที่สองธรรมชาติพิเศษที่เป็นส่วนเฉพาะของมนุษย์ตรงนี้หละเป็นจุดสำคัญที่จะก้าวไปสู่ขั้นที่จะตอบได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้หรือไม่คือมนุษย์สามารถมีปัญญา ที่จะมีชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวิชชาตันหาอุปาทานได้หรือไม่ธรรมชาติของมนุษย์ตรงนี้ถือเป็นฐานของพระพุทธศา ส, สนาเลยทีเดียวธรรมชาติส่วนพิเศษของมนุษย์คือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ตรงนี้สำคัญมากถ้าพูดอย่างภาษาสมัยใหม่ก็ใช้คำว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ไม่ใช่จมอยู่กับที่ แต่เปลี่ยนแปลงได้ในเชิงคุณภาพหรือเรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษก็ได้พิเศษคือแปลกจากสัตว์ชนิดอื่นคือสัตว์ชนิดอื่นไม่เหมือนมนุษย์สัตว์มนุษย์นี้แปลกจากสัตว์อื่นแปลกหรือพิเศษอย่างไรพิเศษในแง่ที่ว่าสัตว์อื่นฝึกไม่ได้หรือฝึกแทบไม่ได้แต่มนุษย์นี้ฝึกได้ คำว่าฝึกนี้พูดอย่างสมัยใหม่ได้แก่คำว่าเรียนรู้และพัฒนาพูดตามคำหลักแท้คือศึกษาหรือศิกขาพูดรวมๆกันไปว่าเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาหรือเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาพูดสั้นๆว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกสัตว์อื่นแทาไม่ต้องฝึก เพราะมันอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณพอเกิดมาปับ๊บเรียนรู้จากพ่อแม่นิดหน่อยเดี๋ยวเดียวมันก็อยู่รอดได้อย่างลูกวัวคลอดออกมาสองสามนาทีลุกขึ้นเดินได้ไปกับแม่แล้วอ่านออกจากไข่เช้าวันนั้นเพอสายหน่อยวิ่งตามแม่มันลงไปในสระเลยวิ่งได้ไว่ายน้ําได้หากินตามพ่อตามแม่มันเลยแต่มันอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ เรียนรู้ได้นิดเดียวแค่พอกินอาหารเป็นต้นแต่ต่อจากนั้นมันฝึกไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ด้วยสัญชาตญาณตลอดชีวิตเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์นี้ต้องฝึกต้องเรียนรู้ถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ก็อยู่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงจะอยู่ดีแม้แต่รอดก็อยู่ไม่ได้ มนุษย์จึงต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่เลี้ยงเป็นเวลานับสิบ ป, ปีพอออกมาดูโลกมนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลยต้องเรียนรู้ทุกอย่างกินก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกต้องหัดนั่งนอนขับถ่ายเดินพูดต้องฝึกต้องเรียนรู้ทั้งหมดนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องหัดต้องฝึกไปทุกอย่างมองในแง่นี้เหมือนเป็นสัตว์ที่ดอย แต่เมื่อมองในแง่บวกคือเรียนรู้ได้ฝึกได้ตอนนี้เป็นแง่เด่นคือพอฝึกเริ่มเรียนรู้ราวนี้มนุษย์ก็เดินหน้ามีปัญญาเพิ่มพูนขึ้นพูดได้สื่อสารได้มีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์อะไรๆ ไ, ได้มนุษย์สามารถพัฒนาโลกแห่งวัตถุเกิดเทคโนโลยีต่างๆมีความเจริญทั้งในทางนมามธรรมและทางวัตถุธรรม มีศิลปะวิทยาการเกิดเป็นวัฒนธรรมอารยธรรมจนกระทั่งเกิดเป็นโลกของมนุษย์ซ้อนขึ้นมาทํากลางโลกของธรรมชาติสัตว์อื่นทั้งหลายมีหรือไม่ที่สามารถสร้างโลกของมันต่างหากจากโลกของธรรมชาติไม่มีมันเกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นหมุนเวียนกันต่อไปแต่มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ คือต้องฝึกต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้ได้ฝึกได้พระพุทธศาสนาจับความจริงของธรรมชาติข้อนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดจึงให้กำลังใจกับมนุษย์ว่ามนุษย์ที่ฝึกแล้วนั้นเลิศประเสรศิฐจนกระทั่งแม้แต่เทวดาและพรมก็น้อมน้ำมสการดังคาถาว่ามนุษย์สภูตังสามพุทธังอัตทันตังสมาหิตัง เทวาปีนังนมัสสันติแปล ว, ว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ทรงฝึกพระองค์แล้วมีพระฤริทยที่อบรมมาอย่างดีแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการคาถานี้เป็นการเตือนมนุษย์และให้กำลังใจว่าความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์นั้นอยู่ที่การเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปมนุษย์จะเอาดีไม่ได้ ถ้าไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเพราะฉะนั้นเราจึงพูดเต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ด, ด้วยการฝึกเราจะไม่พูดทิ้งช่องว่างว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งเป็นการผูกที่ขาดตกบกพร่องเราพูดได้แค่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์พิเศษหมายความว่าเป็นสัตว์ที่แปลกจากสัตว์อื่นพิเศษ แปล ว, ว่าแปลกพวกไม่ได้หมายความว่าดีหรือร้ายแต่ประเสริฐนี่คือดีซึ่งมีหลักความจริงว่ามนุษย์ไม่ได้ประเสริฐเองลอยๆต้องประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วจะด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานจะต่ำสามยิ่งกว่าหรือไม่ก็ทำอะไรไม่เป็นเลยแม้จะอยู่รอดก็ไม่ได้ฉะนั้นความประเสริฐเลิศของมนุษย์ จึงอยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาตนและอันนี้เป็นความเลิศกระเสิร์ที่สัตว์ทั้งหลายอื่นไม่มีสัตว์อื่นอย่างดีก็ฝึกได้บ้างเล็กน้อยเช่นช้างม้าเป็นต้นและมันฝึกตัวเองไม่ได้ 1. ต้องให้มนุษย์ฝึกให้ 2. แม้มนุษย์จะฝึกให้ก็ฝึกได้ในขอบเขตจำกัดเรียนรู้ได้ไม่มากแต่มนุษย์ฝึกตัวเองได้ ลราฝึกได้แทบไม่มีที่สิ้นสุด